ข้อการหลวงพ่อเป็นประธานและคณะสงฆ์ทุกรูปก็ไม่คิดว่าจะไม่ได้พูดหนอกแต่ว่าถ้าให้พูดก็จะได้พูดเรื่องการประสบการณ์นี้แหละเพราะว่าธรรมาก็ปฏิบัติประสบการณ์ก็ประมาณสิบสี่ปีก็คือตั้งแต่เป็นโยมเลยเข้ามาในสายงานหลวงพ่อเทียนตั้งแต่เป็นโยมตามหลวงพ่อไปตามไปตามมาก็ได้บวชก็คิดอยากบวช ก็มีวันหนึ่งอาดามาไปถามหลวงพ่อไปจะไปเขาค่ายแล้วแหละที่ไปคุณวินนบอกว่าหลวงพ่อถ้าผมไม่ได้หนังสือผมจะบวดได้ไหมหลวงพ่อบวดได้อ่อย่างงั้นก็ปนผมเลยวันนั้นไปถึงคุณวินผมก็ปงผมเลยพอปงผมก็ถือน้าเข้าค่ายแต่มันก็เข้าใจความรู้สึกนะความรู้สึกตัวมีบางครั้งที่ตอนที่เข้าไปมันก็จะรู้สึกตัว ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาตมาก็ทำเจริญสติแค่ตามดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกายที่มีอยู่คือเคลื่อนปับ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปับ๊บรู้ปับ๊บตามดูกายแต่ไม่ได้กําหนดรู้แต่รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกายสัมผัสแค่ตามดูพอมันรู้ปุ๊บเราก็ตามดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างมือสัมผัสปุ๊บมันเย็นก็รู้ว่าเย็นร้อนก็รู้ว่าร้อนเคลื่อนปุ๊บทำอาตมาก็จะใช้ตัวธรรมชาติ เพราะว่าตัวอธตรมะเองเป็นคนคนเร็วอธรรมาจะใช้ตัวธรรมชาติเป็นหลักคืออาศัยการธรรมชาติของตัวเองเนี่ยก็คือเราเร็วก็ต้องทําเร็วแต่เรารู้ตามให้ทันว่ามันกระทบอะไรบ้างสัมผัสยังไง ร, รู้สึกยังไงเราก็ตามดูตามดูตามดูมดหรือเอาใจไว้เร็วแค่ไหนมันก็ทันเพราะเราไปตามดูความรู้สึกความรู้สึกไม่ได้บอกมันขึ้นไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกความรู้สึก แต่กายมันบอกความรู้สึกที่มันไปสัมผัสพอมันสัมผัสปุ๊บมันแข็งก็รู้ว่าแข็งนิ่มก็รู้ว่านิ่มเก็บก็รู้ว่าเก็บไม่เก็บก็รู้ว่าไม่เก็บรู้แค่นั้นตามดูรู้ระวงังรู้ระวงังตามดูกายที่มันเคลื่อนมันไหวมันจะเร็วแค่ไหนเราก็ตามดูตามดูตามดูพอตามดูปั๊บเดียวเนี่ยมันก็จะมีความสงบความโปร่งเบาสบายกายเบาใจเบา มันลักษณะมันเบามันโล่งมันโปร่งมันมาโล่งมันโปร่งปุ๊บจากเคยมีความคิดมีความพุ่งสั้นมันไม่มีมันแต่มันโปร่งมันเบามันสบายพอมันสบายปุ๊บมันก็ขยันการขยันนี่ตามดูตัวเองนี่แหละแต่ไม่ได้ไปสนใจคนอื่นสนใจตัวเองที่ว่ากายเคลื่อนทุกขณะไหวทุกขณะมันสัมผัสอะไรรู้สัมผัสลมรู้สัมผัสแดดรู้ร้อนก็รู้ว่าร้อนเย็นก็รู้ว่าเย็น ทำอย่างนี้ปุ๊บไม่ถึงสองสามเดือนเนาะมันรู้สึกมีการแปลกๆเกิดขึ้นเวลาเดินเนี่ยบางครั้งเอตมาจะไปใส่เดินไม่ใส่รองเท้าจะเดินหิงกวดมีวันหนึ่งอันเนี่ยเอตมาไปเดินพอไปเดินสรปุ๊บเนี่ยเดินหินเกศมันนั้นอยู่ที่แพทแสงเทียนพอไปเดินปุ๊บเนี่ยเดินไปเดินไปเดินช้าเดินเรวเดินช้าเดินเน็วปุ๊บพอไปเดินปุ๊บพอจะหยุดเอ๊ะมันเหมือนมีเงามืดๆในใจเราเนี่ยเมือนปกติเราเดินเร็วๆพอไปเดินไปหยุด มันมีเหมือนเงาเนี่ยออกไปเอื้ออะไรพอมันอะไรปุ๊บเอ๊เราก็เห็นเหมือนกับแต่กายหยุดอะไรมันเคลื่อนมันเห็นเลยมันมีใจที่มันสั่งให้วิ่งวิ่งเดินเร็วๆพอเราหยุดหยุดกายหยุดปุ๊บมันเห็นใจที่มันพุ่งออกจากกายอ่ะโอ้นี่แต่ตั้งแต่นั้นมาปุ๊บนี่โยมมีสภาวะแบบนี้ปุ๊บนี่มันจะเกิดมันจะมีเกิดความโปร่งเบาสบายแล้วแล้วพอหลังจากมานั้นมาก็ ไปยกมือสร้างจังหวะเนี่ยหูมันจะดังพอหูมันดังปุ๊บเนี่ยมันดังมิ่งขึ้นมาพอดังปุ๊บเนี่ยมันระเบิดดังปึ้งในหูเนี่ยแล้วมันก็สว่างวาบขึ้นมาพอสภามันเป็นสภาวะนะไม่ใช่ความชิดมันเป็นสภาวะที่เกิดจิตที่มันไปสัมผัสแล้วมันปรากฏขึ้นแก่จิตของเราเนี่ยมันมันก็บอกอุทานว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนไหนเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมมันก็บอกว่าทำที่ไหน เราที่ไหนคือเห็นตัวเรานึกคิดอยู่เนี้ยเนี่ยเห็นเราเห็นนึกเห็นนึกคิดไม่ได้เห็นพุทธเจ้าอาตมามันคิดเนี่ยมันเห็นมันมีคําบอกว่าไม่ใช่เห็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นเรากําลังนึกกาลังคิดพอใจดีใจเสียใจเนี่ยเห็นมันให้มันทันรู้ให้มันทันรู้ตัวเองเนี่ยให้กลับมามองตัวเองดูรู้เนี่ยมันสั่งตัวนี้บอกพอมันบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยมันก็มองพอใจก็เห็นเสียใจก็เห็นดีใจก็เห็น มันก็จะเห็นอยู่ที่ใจเราเนี่ยเพราะเราตามดูเห็นความเป็นจริงของมันอยู่มันเป็นแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็โล่งมันก็โปร่งมันก็สบายนี่คือประสบการณ์อัตมาแค่เข้าใจแค่คำว่าสัมผัสรู้ไม่ได้บอกให้รู้สึกตัวแต่รับรู้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวแล้วสัมผัสตัวสัมผัสนั้นแหะมันเกิดขึ้นมันขณะมันถึงทุกขณะมันเกิดทุกขณะที่มันสัมผัส มันก็ตามดูตามดูตามดูตามดูพอตามดูตามดูปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกในสิ่งที่มันเห็นเฉพาะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามันก็ไปเรื่อยๆแต่มันโปร่งมันเบามันสบายเบากายเบาใจมันไม่เบื่อไหนในการภาวนาเลยพอมันไม่เบื่อการภาวนามันยิ่งชอบมันยิ่งสนุกยิ่งปาณิวัติเนี่ยอาตมาจะไม่ทําตัวให้ลําบากคือรู้เพราะว่าอาตมาเป็นคนที่เร็วเป็นจดิตเร็วอาตมาทําช้าไม่ได้เหมือน อาตมาเป็นตัวคนคนหนึ่งคืออาการของอาตมาเนี่ยเหมือนกับว่าคนสมาธิสั้นเปลี่ยนเร็วๆเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆพอเดินไปเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนปั๊บความรู้สึกเนี่ยมันก็ตามทันตามที่การการสัมผัสเนี่ยมันก็จะตามทันตามทันตามทันจิตมันก็เร็วเราทําเร็วตัวรู้สึกก็เร็วกายสัมผัสก็เร็วรู้สึกตามรู้สึกตามลุสึกตามพอมันรู้สึกตามกายที่สัมผัสเนี่ยตัวเนี้ยมันทําให้เกิดมีความรู้อะไรเกิดขึ้นมากมาย แต่เราไม่ได้ไปรู้ไม่ได้สร้างคิดไม่ได้ไม่ได้เกียตนาคิดแต่มันเห็นเองตามธรรมชาติแล้วก็มันก็าหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆเป็นสภาวะตัวสภาวะเนี่ยคือมันอาศัยตัวรู้สึกตัวตัวเนี้ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวตามดูนี่มันจะไม่มีสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นหน้าที่ของเราแค่ตามดูความรู้สึกเราจะทํำอะไรตอนนั้นไปอยู่ที่โดยคุนวินพอได้ไปปุ๊บ ไปเข้าค่ายหลวงพ่อสงสัยหลวงพ่อจะรู้ว่าอาตมานี่รู้จักมีสภ า, าวะอะไรไม่รู้แต่ว่าอาตมาไม่รู้ตัวเองอาตมาเริ่มรู้สึกว่ามันหลวงพ่อก็ให้ไปทํางานไปปลูกผักที่พอไปปลูกผักปุ๊บเนี่ยท่านให้ไปขุดดินตั้งแต่มันมีภูเขาแบบเนี้ยท่านจะให้ทําขั้นบันไดแล้วปลูกผักเป็นหนานเป็นนานเป็นหนานตอนนั้นน่ะอาตมาก็รู้ว่าอมันก็เสียดายนะว่าน่าปฏิบัติ น, นะหลวงพ่อแต่ว่าอาตมาคิดมาว่า พอมันไปจับจอบปุ๊บขุดดินปับ๊บมันกระแทกปับ๊บมันรู้สึกปับ๊บรู้สึกปับ๊บอ่ะตัวนี้ดีกว่าที่เราจะไปเดินจงกรมสร้างจังหวะเราเอางานเป็นที่รู้เลยจับจอบปุ๊บหนักวางลงจากแทกดินปุ๊บมือกระเพื่อมปับ๊บรู้สึกปับ๊บรู้สึกปับ๊บรู้สึกอะถอนหญ้าปุ๊บบังตัวหญ้ามันดึงยากมันก็เจ็บมืออันไหนดึงง่ายมันก็เบาก็รู้ตามรู้ตามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราสัมผัสนั้น สิ่งที่มันจะบอกความรู้สึกตัวไม่ใช่เรานะคือสิ่งที่เราไปสัมผัสนั้นถ้าหญ้ามันหญ้าหญ้ามันยาวมันรากมันลึกเราต้องใช้แรงเยอะพอแรงแค่ไม่พอมันต้องแรงกว่าอีกขณะที่เราแดงพวกนี้บางครั้งเก็บมือบ้างดึงหนักบ้างเบาบ้างเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดถอนหญ้าขุดดินรดน้ํามือสัมผัสน้ําน้ําเย็นน้ําพุ่งออกมาจากท่อมันก็สัมผัสมือน้ําถูกตัวเย็นน้าถูกหน้าก็เย็นอาน้ําถูกแขนถูกขามันก็รู้สึก รู้สึกตามความเป็นจริงที่รังเป็นอยู่เนะี่ยเราตามดูตามดูตามดูกับแทนที่มันจะเครียดมันโปรง่งมันเบามันสบายมันสนุกทำงานไม่เหนื่อยรู้สึกเออรู้สึกสบายสบายเรารู้ตามรู้ตามเนี่ยมันสบายถ้าเราเป็นคนนำเนี่ยเราจะเหนื่อยอนันมาคิดนะแต่ถ้าเราเป็นคนตามเนี่ยเราจะสบายเราตามอะไรตามดูกายที่สัมผัสแต่เราไม่ได้บอก เราไม่ได้บอกว่ารู้สึกตัวแต่เราตามดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากกายอาตมาเข้าใจอย่างนี้อาตมาก็ทํามาตลอดตั้งแต่วันที่อาตมารู้สึกตัวจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันความรู้สึกตัวเนี่ยพอเรารู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าสติแม่แหลมคมมากขึ้นมันจะเห็นกายเคลื่อนกายไหวกายพอเคลื่อนปุ๊บรู้สึกรู้สึกกายขยับปุ๊บใจตามรู้ป๊รู้ปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บเลยมันรู้ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องบอกมันรู้มันไปเห็นไปรู้ แล้วมันเห็นอะไรมากมายที่เกิดขึ้นแต่มันก็มีการหลงบ้างสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้แต่รู้แล้วมันหลงหลงเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นว่าสําคัญมั่นหมายสิ่งเหล่านั้นว่าฉันรู้เข้าใจแต่ความจริงแล้วปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกปูแค่อาศัยแค่ระลึกเล่าสู่กันฟังเฉยๆสิ่งนั้นไม่มีค่าอะไร ประดับเราเฉยๆแต่ความจริงจริงๆมันที่เราต้องอยู่ได้ทุกวนันนี้คือปัจจุบันคือความรู้สึกที่สัมผัสรู้ขณะขณะขณะรู้ระหว่างรู้ระหว่างรู้แบบสบายๆเดินสบายๆไปสบายๆใช้ชีวิตปกติแต่แค่ใจมันไปรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งกายบ้างทั้งใจบ้างบางครั้งพอใจบ้างเสียใจบ้างรูมีบ้างไม่มีบ้างเฉยๆบ้างจิตมันจะปกติบ้าง บางครั้งมันมีเหตุมีบจจัยมันก็เกิดไม่มีมันก็ไม่เกิดบางครั้งมันก็เกิดจากภายในขึ้นมาเกิดเรารู้เราเห็นตามความเป็นจริงบางครั้งก็ดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นกายบางครั้งเกิดจากกายเข้าไปถึงจิตเกิดจากกระทบทางกายไปถึงจิตบางที่เกิดจากทางจิตออกมาทางกายบางที่เกิดจากกายเฉยเฉยก็ไม่ยิตไม่ร่วมเป็นตัวใครตัวมันมันเหมือนคนละส่วนละส่วนละส่วน สิ่งเหล่านกายกับใจเนี่ยคนละเรื่องไม่ได้อันเดียวกันแต่มันเป็นนันเดียวกันแต่มันคนละเรื่องมอนคนละตัวแต่เวลามันทํางานมันทําหน้าที่เดียวกันแต่ว่ามันไปพร้อมกันแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใจกับกายเนี่ยแต่มันก็เห็นการขณะขณะขณะแต่มันก็มีแต่โปร่งเบาและสบายแค่มาแต่แค่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเฉยเฉเนี่ย ทั้งๆที่ไม่ได้อ่านทั้งๆที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เคยอ่านหนังสือไม่ได้ด้วยอันนี้คือปดเบิดคมโง่ตัวเองเนาะเพราะว่าอาตมาไปไหนอาตมาไม่ค่อยอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่เป็นไม่ได้การอาตมาก็รู้แต่ว่ามีอย่างเดียวก็คือถ้ารู้มากเนี่ยมันก็รู้มากก็ชิดมากไม่รู้ดีกว่ารู้ทำเอาเดียวเนี่ยพออทำเนี่ยเอากายทำเนี่ยเอากายไปต่อจิสติเนี่ยแค่ทำอย่างเดียวแค่รู้ตามรู้ตามรู้ตามมันเกิดสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้น มันมีความสุขความสบายความอิปติปาโมติเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเดินไปก็มีสุขสบายมันโล่ง ม, มันโปร่งมันไม่เบื่อหน่ายไม่เอือดออัดแต่ว่เทียตมาไม่ได้เข้ามาในหมู่คณะเนี่ยคือสังขารไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคกรรมก็ปวดหลังแต่ปวดหลังนี่เป็นการไม่ใช่ไม่ใช่ใจปวดนะกายปวดกายมันปวดแต่รักษาได้ก็รักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็ยอมรับยอมรับตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ อยู่แค่ไหนแก้ไขได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแก้ไขได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์ทุกข์ใจไม่ได้ทุกมันก็ทุกข์กายแต่ไม่ได้ทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่ไปอยู่กับกายมาอยู่กับใจซะอยู่กับความโปร่งเบาสบายกายมันก็เบาลงเบาลงเบาลงเวทนามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นกลไกของธรรมชาติเราแค่เรียนรู้เขาเข้าใจเขาให้อย่างแจ่มแจ้งเข้าใจกฎกลไกของมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่แค่นี้เองนะครับผมหลวงพ่อ